เพื่อให้สิ่งต่างๆมันคล่องตัวเวลาที่เรามาเจริญสติภาคปฏิบัติก็คือเรื่องการเจริญสติสัมปชัญญะภาคปฏิบัติก็เอาสติมาตั้งไว้ที่กายอย่าไปควบคุมจิตใจ เอาเที่ยงไว้ก่อนเรื่องคิดเรื่องใจว่าแต่เราไม่สติมากำลหนดอยู่ที่กายตั้งไว้ที่กายให้มันสมกับชื่อว่าเป็นวิชากรรมฐานมีที่ตั้งมีการกระทำเอากายเป็นการบุกเบิกมีสติไปกับกายเสียก่อน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 ไม่คิดสั่งงานสั่งการตะพึตตะพื้ไม่คิดที่มันคิดหบหิ้วไปมันก็ไม่ได้เสมอไปเราจึงต้องพึกอัดที่กายไว้ก่อนแม้นมันจะคิดเรื่องใดบางทีมันเอายากเอาง่ายมาใจเอาผิดเอาถูกเอาชอบเอไม่ชอบมาใส่เนั่นะหละเราจะได้เห็น จะได้เห็นเงื่อนเห็นไขหบางทีไม่ต้องไปยุ่งกับมันควมยากไม่ต้องไปเป็นผู้ยากเห็นมันยากมันง่ายไปอบาบาตั้งว้ธีกายรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปก่อนวิธีปฏิบัติเหมือนเราเดินเรดงเข้าป่าเหมือนเข้าป่ามันก็ต้องมีป่า เจอจากโลบรู้จากหลีกแต่ต้องเดินไปแต่พึเตผือแล้วเลี้ยวไปบ้างโลบปลีกไปบ้างมันจังแกเป็นการเดินถ้าไปเจออะไรเขาก็หยุดซะเจ อ, อกเกอะเจอน้ําก็หยุดซะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไไ ม, ไดมันไม่ใช่มันมีทางแต่เเพียรพยายามพอข้ามก็ข้ามพอหลอดก็หลอดพอหลีกก็หลีก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 ช่วยตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเสยก่อนนี่มันจะคล่องอยากไี้พอมันคล่องตัวมันไปไม่อะไรเกิดขึ้นมันรู้ไม่อะไรเกิดขึ้นมันรู้สึกตัวนะไปแล้วไปแล้วความยากเกิดขึ้นก็รู้สึกตัวความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้สึกตัวความปัญหาความบ่นความหนาความปวดความมื่อยความอะไรต่างๆมันเกิดขึ้น่ารู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไป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 มันทําให้เบามันทําให้ไปได้ชีวิตเราก็มีอย่างนั้นเหมือนกันความรู้สึกตัวมันพาให้เบาควมยากความง่ายความชอบความไม่ชอบมันจะหอบพิ้วโลไปมันจะล้มไปทําให้หนักแล้วไปเอาแบบนั้นมันหนักโดยเฉพาะไปเล่นกับคิดความคิดต่างๆมันขวางมันกัน ทำให้เกิดการขวงกั้นเป็นเรื่องกิจ <c oughs> เป็นเรื่องของกิจเขาเรียกว่า <c oughs> ในบอนและทำเหมือนภูเขาแล้วมันก็เปลี่ยนมันก็พยายามที่จะขวงกันไว้จริงๆมันเป็นตรงกันข้ามว อ, อาม่งเหงาหนอน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 มันก็เป็นไปเองอย่าให้ไปจอยู่กับความทุกข์่าให้ไปจบอยู่กับความสุอย่าให้ไปจ บ, จบอยูจจ่กับความกลัวความกล้าอันนั่นไม่ใช่ชีวิตของเราเรืยกว่าขวงกัน้นชีวิตของเราจึงเก่งตรงรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอะไรอะไรก็ตามตัวรู้สึกตัวเดี๋ยวจลิศไปแล้วจะเลิศไปแล้วพอมารู้สึกตัววัตถุที่รู้ก็ไม่กาย หัดตรงนี้หัดตรงนี้ไปก่อนวิธีปฏิบัติ <c oughs> ความยากก็กลายเป็นความม่ากเราแต่เข้าข้างความรู้สึกตัวเอากายมาเจตนากำหนดรู้สึกตัวไปนี่เป็นวิธีปฏิบัติส่วนวิธีอย่างอื่นมันก็ค่อยดีไปเองคนที่ใจเล่าใจร้อนมันจะเย็นไปเอง คนที่จิตใจกับพึบกับพื้น ก, กับพุทธกับเพียด อ, อะไรต่างๆลูกนี่ลุกลนแลั้นก็จะชัดเจนไปเองการฝึกตัวเองก็ต้องฝึกอย่างนั้นอย่าเอาอันดื่นมากำหนดกำหนดชีวิตของเราไปเองหัดไปเองเมื่อเราสอนกายอยู่กับกายรู้ที่กายมันก็เป็นเรื่องของกิจนั่นแหละ มันรู้สึกตัวมันรู้เท่าไห่มันก็สอนจิตโดยตรงหน้าที่โดยตรงมันก็สอนจิตนั่นแหละแต่อย่าไปสอนมันตรงตรงมันโดยอ้อมการสอนจิตไม่ใช่ไปห้ามไปชนกับเขาความโกรธก็อดเอาความกลัวก็อดเอาความหิวก็อดเอาความร้อนความหนาวก็อดเอาสู้เอา เอาจริงๆมันไม่ได้สู้การปฏิบัติธรรมนะมันเป็นการข้ามล่วงการสู้เลี่ยมันเจ็บปวดมันต้องข้ามล่วงไปมันหลงก็ลรู้ในี่ข้ามไปแล้วข้ามคมหลงไปแล้วมันทุกข์ก็บรู้มันข้ามความทุกข์ไปแล้วไม่ได้สู้เลยไม่ถูกอะไรเลยมันไม่ถูกหรอกความทุกข์มันก็ไม่ถูกหรอก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 วิธีเราก็ไม่ต้องไปค้นฮะมันโดยตรงอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนด้วยเป็นแผนที่ไม่ต้องไปเปลืองสมองคิดหาแบบใหม่อื่นใดทั้งหมดเรานำมาใช้ลรามาปฏิบัติตั้งไว้ที่กายที่จิตของเราจิตที่ไปตั้งไว้ ก็ไม่ใช่จะไปควบคุมเพราะว่าดูจิตดูกายดูจิต ด, ดูกายเห็นจิต ด, ดูคิดเห็นธรรมก็หมายถึงการมาเจริญสติมันเห็นจิตในสติดูกายมาจะเห็นจิตชัดเจนเห็นจิตคือเห็นอย่างไรคือเห็นมันสุขมันทุกข์เห็นมันจิตคิดที่เกิดขึ้นกับจิต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 ไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยมันหลอกเราโดยเห็นจิดมันก็เห็นธรรมดูคิดมันก็เห็นธรรมก็โอ้เอเออเนอะเาะไปไม่ได้ไปว่าจะไปทําเรื่องนั่นแต่มันเรื่องนั้นมันเกิดขึ้นเรากลับมาก็มาดูี่กายรู้สึกตัวอยู่ที่กายขนเอาอริบทขนเอาบบพระต่างๆมาสร้างมาใช้มาตั้งนั่นโดยเฉพาะเรื่องของจิต เน่มันหลอกได้สำเร็จมากมันก็หลอกกิจมันก็หลอกได้ทุกหมดทุกอย่างเรื่งไหนที่มันเกิดขึ้นกับผิดมันหลอกเก่งนึกว่าตัวตนทั้งหมดไม่ใช่ดอกแต่มันโกรธก็เป็นผู้โกรธมันหลอกแล้วสําเร็จแล้วมันทุกข์ก็เป็นผู้ทุกข์มันหลอกแล้วความหลอกของเขาสําเร็จแล้วมันกลัวก็เป็นผู้กลัวมันหลอกแล้ว เขาหลอกสำเร็จถ้าอะไรเกิดขึ้นจากกิจถ้าจะไปสู้ตรงนั้นมันมันก็เป็นไปได้ยากแต่ว่ากลับมากลับมากลับมาตั้งไว้เทกายกลับมาตั้งไว้เทกายรู้ี่กายรู้เทกายพอมันหลอกได้กลับมารู้ี่กายไม่สนใจตัวรู้มันรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอาไป ม, ามันก็หลอกไปได้มันอายเหมือนกันอายตัวรู้ศึกตัวเพราะตัวรู้มันเป็นธรรมกว่าตัวหลอก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 อ่อนโยนให้สุ ข, ขุมให้รอบครอบมันก็ทําให้เกิดความรอบครอบได้ถ้พลุด อ, อกไปกลบมาลูสึกตัวมาทําให้รอบครอบทำให้เปิดปัญญาเพรามันตั้งไว้แล้วอะไรที่มันจะหลุดไปจากตนนัวนี้มันก็กลายเป็นปัญญาไม่ใช่ปัญหาะะเราเจริญสติ เจตนาสร้างจังหวะโยกมือยกมือเคลื่อนไหวไปมามันเกิดอะไรขึ้นมาไม่ที่นอกจากการกำหนดรู้อยู่ที่กายถ้าดูดีๆมันก็เป็นปัญญาไม่ใช่ปัญหามันปวดมนเมื่อยก็รู้แล้วโอ้ผมปวดผมเมื่อย ม, มันเสกว่ากายนอกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันสุกมันทุกข์มันเจ็บมันปวดอะ้รก็ตาม ที่ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ที่เรียกว่าเวทนามันก็เป็นปัญญาว่าเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขาอ๋อมันแสดงทางจิตมันคิดไปพุ่งๆแต่งๆไปที่มันลักคิดบ้างที่มันเกิดอารมณ์ย่อมจิตบ้างเราเห็นจิตสว่าจิตไม่ใช่สัตว์ปุกลตัวตนเราเขา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 ปวดขวม่มวยไปเจอความยากไม่อยากได้ความง่ายไปเจอความผิดไม่อยากให้มันผิดไปเจอความชิดไม่อยากให้มันชิดไปเจอความง่วงก็ไม่อยากให้มันง่ว ง, ว ม, ม, ม, วงมันไม่มันไม่ใช่ใแต่สิ่งที่ทาให้เกิดการข้ามล่วงมันต้องเก่งถ้าไม่เจอสิ่งเหล่านั้นมันไม่เก่งของนักเดินทางของภูกเรียนรู้ต้องมีประสบการณ์ คนผู้ทำงานก็ย่อมมีการผิดพลาดความผิดพลาดทำให้เราชำเไ็กชำนาญประสบการณ์ในการทำงานคนที่ไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรผิดเลยการปฏิบัติธรรมก็มือนกันเข้าค่ายเข้าสนามลงสนามฝึกซ้อมการปฏิบัติซ้มกายกับความรู้สึกตัว ไม่อะไรมาแยกก็ซ้อมให้มันเกิดเข้ากับปาหากันเด็ซ้อมเอาไว้หลงที่ไดลู้ที่ไดถอดซ้อมแล้วลงสนามมันฉุกที่ไดมันทุกข์ที่ใดกลู่สิตัวละซ้อมแล้วซ้อมใช้ ช, ชนานาญในเรื่องความหลงกลายเป็นความลู้ความทุกข์กลายเป็นความลู้ความโกรธกลายเป็นความลู้ความกลัวกลายเป็นความลู้ ปัญหาต่างๆความยากความง่ายกลายเป็นความรู้ชํานาญในความรู้สึกตัวไปเจี่ยวข้องทุกเรื่องทุกข์เล่ามันก็ไปได้มันแล้วสิ่งที่ทาได้เหมือนกันไม่ใช่ทํำไมได้ว่าแต่เราอือย่าผลผันธพันแล่นอย่าบู้บู้เบาๆอย่าเลียปลีกหล่นหลนคุรีคูจอจับจุดจุดจับจับจุบจบจดจดผิดผิดทุกทุก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 เหมือนกับใบบัวที่ลอยอยู่ในน้ำมันไม่ติดน้าํามันพือ้ออกหายขึ้นบนทงฟ้าเวลาฝนตกลงมาแต่ก่อนนี่เห็นใบบัวใบบัวมันพ่นน้ําก็เปนนะมันพ่นน้ําก็ดูขึ้นไปใบมันก็ทําเป็นอ่างเป็นอ่างเหมือนชามใบบัวที่ไม่มีรูไม่มีโหวเวลา ฝ <c oughs> นตกลงมาเอานั่งอยู่ซาลาน้ําสิมน้าํามฝนตกตองใส่ใบบัวมันก็มีโอกาสขังน้าําพอมันขังมากๆก็เอียงไปไหลออกโจมก็ยืนขึ้นมาใหม่แล้วลมันเต็มขึ้นไปก็เอียงไปหน่หนอยๆไหลออกใบบัวยังเกีวไม่ชุม่มไม่เปียก มันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆชีวิตของที่เป็นธรรมะธรรมะมันก็เป็นอย่างนั้นเลมันทุกข์มันก็เพื่อไม่ทุกข์มันหลงมัก็เพื่อไม่หลงมันโกรธมัก็เพื่อไม่โกรธมันกลัวมก็เพื่อไม่กลัวมันมีอยู่แล้วอย่าไปจบลงไปตรงที่มันเป็นต้องเห็นมันความเป็นเนี่ยมันเป็นอวิชชามันเป็นวิชามันมืดมันบด พราะวะที่เห็นเนี่ยมันลู่แก้งไม่มืดหมดมันพบเส้นพบทางบททำไรไม่เป็นว่าแต่มาทาตัวเนี้ก็ทำเป็นศึกษาเรื่องชีวิตของเราเป็นไปเองไม่เหมือนกับเราเรียนวิชาต่างๆต้องใช้สมองต้องใช้วัตถุต้องใช้เงินใช้ทองต้องใช้โอกาสต้องมีเหตุปัจจัยหลายอย่าง แต่ว่าการศึกษาชีวิตจริงๆเนี่ยเป็นยังไงมาก็ได้ว่าแต่มาจับตรงในเสียก่อนไปได้ทุกคนกันหาก็เหมือนกันทุกคนมันไม่ต่างกันมีกายก็มีกายเหมือนกันในจิตก็มีจิตเหมือนกันมีร้อนมีหนาวมียากมีง่ายมีเหมือนกันเราเห็นเหมือนเหมือนกันไม่มีใครไม่เห็นจะไปสำคัญมันหมายว่าเราคนเดียว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 ยืนเดินคู่เหยียด่อนไว้เหมือนกันง <c oughs> ันเหมือนกันมีกีดมันก็ชิดเหมือนกันเราจะเปรียบเทียบแล้วสมัยข้างพระเจ้าวังเพนเพียนเนี่ยคงจะยากกลัวพวกเราเพราะอรหันต่างๆที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นยากกลัวพวกเราแน่นอนไม่มีไฟฟ้าใช่ไม่มี ปติศาลาไม่มีผ้าปูนั่งไม่มีเทคนโนโลยีเหมือนพวกเราลำบากกว่าพวกเราพระพุทธเจ้าเวลาปฏิบัติธรรมอยู่ที่ต้นใต้ต้นศรีมหาโพธิ์เราไม่ได้นั่งอยู่หอวตจพระพุทองค์ไม่นั่งแบบนี้อยู่ใต้ต้นโพธิ์จริงๆไปดูแล้วก็มีแท่นนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆ แล้วก็ฝนตกก็เปียกจริงจิงแดดออกก็ร้อนจริงๆริงโยงก็บินมาลมก็พัดมางูก็เลื้อยมาอยู่ในป่าในดงก็ต้องเกิดอะไรขึ้นเหมือนก็อยู่ที่นี่สมัยก่อนสามสิบปีก่อนอ๋อที่ช่างมันก็มาเสือมันก็มางูมันก็เลื้อยมามามันก็มา ทำท่าทำทางใส่เหาเหมือนกันก็เกงมันก็มายำเท่าใส่เราเห่าเราปกช้ามันก็มาเป่าปากพิษพิษใส่เราวกเสือมก็ล่องตลอดคืนปีสองพันห้าร้อยบหกนาวมากล้องตลอดคืนเสียงหมีเกิดกันในมันเวลามันผสมพันเพื่อเดือนพฤกกี่กา เสียงกัดอยู่ขาเพื่งบ้างเสียงกัดกันอยูู่้กลางบ้างเสียงกัดกันอยู่โูสามชั้นบ้างโอเคโอเคตลอดคืนแล้วก็ถ้าเราไม่ความเพ่งทำว่าจะไปคิดฟังอันนั้นกลัวอันนั้นชอบอันนั้นบางทีเสียงนกเสียงหนูเสียงอะไรดังตลอดคืนบางทีมันเหมือนกันกบเสียงผู้เสียงคน ผมพอมพุ่มพอมพมามันมันเกิดเสียงลดแล้รวรถมอเตอร์ไซค์มันมาได้ยังไงมาจอดอยู่ใต้ทุนกติเราโ อ, อ, อ, อ้ใครขับรถมาเนี่ยจริงไม่ใช่เสียงมิ้นมันสั่นขนเสียงต๊กแก่ตัวใหญ่คลั่งคราวตัวใหญ่ๆเสียงนกแก่โต๊ะเลยล้มแกงแล้วแจ้งแล้ว หลวงพ่อแจ้งแล้วหวังเหมือนกับปรุงปลูกแต่งแต่งไปเสียงนกก็เสียงเห็นเสียงสัตว์ป่าแล้ว ก, ก็อาจจะกลัวนะโอ้ยเงียบโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวพระเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพคิดถึงพิมพาลาหุนเปรียบเทียบกับประสาทสามฤดูกับต้นศรีมหาโพอ์อ้ยทำไมเรามาอยู่นี่นนอง เสาสนมกำนันในพิมพาราหุนพระราชาววงศารวงทรัพสินเสด็จคารตอนเดเคยเป็นสุขุมมรชาติมาอยู่อย่างไม่มีอะไรเนี่ยต้องคิดแน่นอนคิดแน่นอนแต่แต่ว่าการคิดนั่นแหละทำให้เกิดญาณเกิดปัญญาจนได้สอนพวกเรา กายานุปัสสนาเวทานานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานี่แหละเป็นหลักไปเนี่แล้วก็เห็นใรวละธรรมเป็นโูเขาขวงกันผมองเอเหงาหอนนอนความชิดฟงสา่านพยาบาทกามลาคะมานะทิฏฐิสำคัญมั่นหมายว่าตัวว ต, วตนเกิดอะไรขึ้นก็ตัวตนกูโกรกูย่ากูใ่เกี่ยวกับกายก็กูเ ก, ก, ก, กี่ยวกับใจก็กูมีแต่กูเต็มไปหมด ความร้อนความหนาวก็กูความกลัวความกล้าก็กูกูกลั ว, วกูววมกววมไม่กลัวกูร้อนกูหนาวกูชอบกูไม่ชอบกูเต็มไปหมดเลยพวกมาลู่มสึกตัวมันลื้อกูออกมันเห็นก็แาไปแนะ้วเลยะยากกับเราเพราะเรายังมาแบบงดๆหนำามาบางคนมาเป็นกอนเป็นกลัวเป็นผัว เ, เป็นเมยียเป็นลูกเป็นเต้าลูกชายมาบวชพ่อแม่มาด้วย ลูกศิษย์ลูกหามาครูอาจารย์มาด้วยเพื่อนผงมาด้วยขับรถมาจอดปจดกติทำอย่างดีนี่ไฟฟ้าน้ำร้อนน้าอุ่นอาหารการกินมีคนมาปรุงให้มีเงินมีทองอยากอะไรก็หามากินกันได้แต่สมัยครั้งพรธเจ้าไม่มีเด็ดขาดถึงคราวที่อดอยากไปเป็นทบบาลลงเรี่ยงมากก็ได้เข้าโผนกลาก กินข้าวทั้งกลากเกาต้มลองดูสินณะนั้นยังได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าจีหมื่นจีพันลูกเราเนี่โอ้ยข้าวก้องอย่างดีอาหารอย่างดียังว่ายากยยังว่าทำไม่ได้อยู่มันจะไปเกิดพบไหนชาติไหนไปจะงู้ไปอีกกี่พบกี่ชาติแต่ชาตินี้ไปได้รู้ทำหรกหมดบงังสะไว เวลานี้ไม่ได้มันรู้ทําก็หมดหวังววันนี้ด้วยซ้าไปไม่รู้สึกตัวเลยปล่อยให้ความคิดย่อมยีตัวเองปล่อยให้ความกลัวความคิดอะไรย่อมยีด้วยไม่รู้ว่าจะไปผุดไปเกิดที่ไหนไม่มีทางนี่แหละไม่เห็นอย่างนี้แหละมันเห็นของจริงนะนี่มันเกิดก็ได้เราดูเนะนี่ยนี่เราศึกษาของจริงศึกษาของจริงไม่ใช่คิดทิศตุ่นดุ ด, ดเราเดาเ คิดว่ามันจะเป็นอย่างโน้นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้อะไรๆก็ใช่ความคิดทั้งหมดไม่ใช่พอมาดูเขามีสติเข้าโอ้มันเห็นกับหูกับตามันก็ทํากับหูกับตาทํากับมือทําได้กับมือมันหลงไปกับวารี่กายมันทําได้จริงจริงมันเคาะหัวเขจริงจริงเน่เน่มันมั่นอย่างนี้มันหลงปั๊บกลับวารูษอย่างนี้โอ้ยสมใจสม หรือว่าสมนำหน้าความหลงก็ลดยสมนำหนาความทุกข์ก็ได้สมนำหน้าความโกรธสมนำหน้ากิเลสตัณหามันทําทอย่างสมจิตสมใจปฏิบัติธรรมทากับมือของเราทํากับตัวของเราการกระทำของเราการกระทํานี่แหละการกระทํานี่แหละมันหลงก็ลู่นี่เลยว่าการกระทําแล้วไม่มีอะไรจะชัดเจนไปเท่ากับ ก, บการปฏิบัติภาวนาในการศึกษาในโลกเนี่ย แม่นยำาอาจะเป็นวัตถุเหมือนหลวงพ่อเปรียบเทียบแต่กรณีเส า, ส า, า, าเสาราน้ามันเอ็นสาราน้ามันเอ็นมันทมท่าจะล้มเราไปยกขึ้นดึงขึ้นเสริมเสาเปลี่ยนเสาแน่นตึบโบ้สมนำหน้ามันความไม่ดีความโสม เอาสาระไก่สมัยก่อนปวกกินกัดเวลาขึ้นไปนั่งหยอกแกลกหยอกแกลกนั่งยกมือสร้างแจหวเฉยก็ขยโยขยเกล็แล้วเปลี่ยนสม่ย ต, ต้องโตสมัยตึ๊บแน่นตึ๊บลงไปอืมศพําหน้ามันแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงการงานที่เราทําอะไรที่มันเสียหายทำให้มันดีนี่ดยนี่เหลวจริงจริงตัวการกระทาจริงจริงต้องเปลี่ยนได้อย่างนี้นะ มันหลงเปลี่ยนเป็นตัวลูอย่างเนี้ยมันทุกข์เปลี่ยนเป็นตัวลู่เนี่ยมันโกรธเปลี่ยนเป็นตัวลู่มันกลัวเปลี่ยนเป็นตัวลูอย่างเนี้ยอาอะไรมันจะกิ่งไปขนาดนี้เราไม่มีดอกการศึกษาในโลกนะจึงมั่นใจเถอพวกเราหลวงพ่อก็สรุปวกสบายการสอนความจริงไม่หวังอะไรบริสุทธิ์แต่ความจริงเคียนนี้มันเอาให้กันไม่ได้ต้องประสบการณ์ต้องเป็นบทเรียนของท่านเองของตัวเราเอง ไปนั่งไปนอนอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรมันก็ได้แบบนั้นแหละมาทํางานก็ต้องทำทำงานเรียนก็ต้องเรียนต้องประสบการณ์ไปเรื่อยๆมีสติไปเรื่อยๆสิ่งที่เราทํามันก็มีเจตนาลงไปตัวรู้ตัวลงมันต่างกันอยู่ต่างกันอยู่ไม่มีคําถามความรู้สึกตัวเมื่อวางไว้วังเขา่าเมื่อเราอยู่ตรงไหนเราไม่มีคําถามเราลูกของเราเองตะแคงมือ แล้วก็ตะแคงลู่เองยกมือก็ลู่เองไม่มีคำถามเวลาใดมันหลงเราก็ลู่เองเปลี่ยนความหลงเป็นความลู่ ين, เองแล้วก็เปลี่ยนได้ทุกคนนะไม่ใช่ไปถามฉันหลงหรือเปล่าเวลาเราลู่สูต่ตัวเราฉันลู่หรือเปล่าความหลงหมดไปแล้วหรืออย่างความลู่เกิดขึ้นแล้วหรืออย่างมันไม่มีคําถามมันมีแต่คําตอบมันมีแต่คําตอบตัวเราตอบอเองคนอื่นตอบให้ไม่ได้ นี่คือของเก่งศึกษาของกิ่งของเก่งแบบนี้เป็นสากลสากลแห่งธรรมจริงกก่งการปฏิบัติอย่าเอาลทัทธิอย่าเอานืกายอย่าเอาชาติอย่าเอาเพศวัยอย่าเอาอายุหนุ่มสาวเท่าแก่มาแบ่งมาปัน่นมันเป็นอันเดียวกันอยู่รู้จึกตัวรู้จึกตัวรู้จุดตัวเนะี่ยจะไปอาศัยใคร อาศัยตนอัตเอัตโนนาโถเรื่องอยา่างที่ไม่ใช่อาศัยคนยเรื่องอย่างนี้เราช่วยตัวเราได้ยกได้ยกพลขึ้นได้ข้ามล่วงได้ความรู้สึกตัวข้ามได้ทั้งหมดในกายในใจเราถ้ารู้สึกตัวเป็นสิ่งที่ยกขดส่งออกได้ทั้งหมดเข้าถึงความรู้สึกตัวเข้าถึงความรู้สึกตัวได้ทั้งหมด มันจะเกิดเปิดหมื่นสี่พันเรื่องเกี่ยวกับกายกับใจเป็นความรู้สึกตัวได้ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้สัจธรรมมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ศัจธรรมก็เป็นอย่างอื่นไปถ้าความโกรธก็ต้องไปด่าไปทะเลาะวิวาทกันความโกรธมันต้องเป็นความไม่โกรธความทุกข์ก็ต้องเป็นความไม่ทุกข์ความกลัวก็ต้องเป็นความไม่กลัวอะไรก็ตาม มันมีความชอบธรรมล้มีวิชาไปเอาวิชาเ อ, อวิชธไม่รู้อะไรรู้แบบไปตามไปตามไปตามอาการต่างๆเป็นผู้รู้เห็นมันรู้วิชาเห็นมันรู้โล่งมันแจ้งจนเห็นความรู้มันไม่รู้ก็เป็นผู้ไม่รู้รอผู้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 ทุกความสุขความยาความง่ายเป็นกิเลสตะนะเป็นความโลภความโกรธความหลงอยู่ในภพในภูมิพรอบห่มเราไม่มีปัญญาในเรื่องนี้ก็หลุดออกไปแล้วไม่มีอะไรครอบมาแล้วแล้วก็ถูกขังเอาสุ่มเหล็กมาขังวันนี้เราเปิดสุ่มเหล็กออกไปไม่ถูกขังเป็นอิสระ ผมรู้สึกตัวเพื่อให้เราเป็นอิสระเกิดความเป็นธรรมชอบธรรมถ้าเราพบอย่างนี้แล้วนะความชอบธรรมที่เกิดขึ้นเกิดคนนั้นคนนี้ผมไปบอกไปสอนก่อนการสอนธรรมะนะม่มันเป็นบุญนะว่าเทศนามัเกิดอเนสงเกิดบุญมหาศาลธรรมเทศนามัยธรรมะสวรนามัยวังธรรม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 ก็ตอบได้ได้สอบผ่านได้นักทมชั้นตีชั้นโทรชั้นเอกสอบผ่านได้เขาถามอะไรตอบได้นะก็เป็นการศึกษาอันหนังเองแต่ว่ามันไม่ตอบมันไม่เปลี่ยนมันกับการปฏิบัติธรรมเช่นในหนังสือสอนธรรมะธรรมะวิภาคปริเคตที่หนึ่งบอกว่าทำอุปการะมากส อ, อย่างสติความระลิกได้สำเภชัญญะความรู้ตัว มันทําให้งามสองอย่างหนึ่งคันติวความอดทนสองสุรจักความเสี่งงยมบุคคลหาได้ยากสองอย่างหนึ่งปุภากรีบุคคลผู้ลูกประกาศละก่อนสองกตัญโยกตวเวทีบุคคลผู้ลูกประกาศละที่ท่านทําแล้วตอบและตอบแทนเราตอบได้แต่ว่าเมื่อมาปฏิบัติแล้วมันไม่ใช่อยู่ในหนังสือโอสติความเลื่กเล่อยนีย่เคลื่อนไหวปั่นมามันระเลึกเล่อยลูกศึกละเลื่อกได้ ไม่ใช่คำพูดสักหน่อยเป็นการสัมผัสเราเวลามันหลงแล้วเลิกได้ขึ้นมารู้สึกตัวเวลามันโกรธแล้วเลิกได้ขึ้นมารู้สึกตัวเวลามันทุกข์แล้วเลิกได้รู้สึกตัวเวลามันกลัวแล้วเลิกได้รู้สึกตัวโอ้นี่เป็นสติสชำวชญยะเหมือนพ่อเหมือนแม่นะเนี่ยมันช่วยเราจริงจริงอุปการละต่อเราจริงจริงอุปการละในกายในใจเราเนี่ยยกออกมาได้พลนออกไปได้อุปการละเนี่ยโอ้ยเหมือนพ่อเหมือนแม่ พระเจ้าจึงตั้งชื่อทำเราเนี่ว่าอุ ป, ปการะมากเปรียบเสมือนพ่อเหมือนแม่แต่พ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราปานความรู้สึกตัวนะช่วยเราช่วยเรานี่เราสิ่งที่จะมาช่วยเราเราก็ต้องทำให้มีรู้สึกให้ระลึกได้อย่างนี้อย่างนี้อย่าง น, างนี้การปฏิบัติธรรมแต่พวกเราก็มีจำนวนมาก ก็ค่อยเป็นค่อยไปขยับขยื่นค่อยไปฝึกหัดไปค่อยสอดค่อยแทรกค่อยวางกตัววางใจไปเรื่อยๆบางทีอาจจะมาอยู่ที่ใหม่ๆไม่เคยชินตัวสิ่งแวดร่วมแบบนี้ก็อาจจะเกิดอะไรก็อย่าไปตั้งเลสงสัยค่อยสอดค่อยแทรกเย็นใจไว้รอได้คอยได้ปรับเต้าปรับตัวเอาไว้มันค่อยเป็นไปมันเป็นไปได้ เป็นไปได้ชีวิตของเรามันพัฒนาได้ปรับเนือ้อปรับตัวปรับกายปรับจิตค่คอยเดินค่อยไปค่อยดูตัวเองค่อยดูคนอื่นค่อยช่วยตัวเองค่อยช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยแต่พวกเราที่อยู่นี่คิดเสมอว่าพวกเราที่มีอยู่ในธรรมวินัยทั้งหลายธรามวินัยของพระเจ้าเนี่ยเวลานี่แหละ <c oughs> คิดแล้ว หรือไม่ใช่เวลานี้ก็ตามพรกเราคิดแบบว่าผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาสู่อาวาสของเราเป็นความคิดของผู้ที่อยู่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีความคิดแบบนี้ขนขวยแบบนี้การที่เตรียมเสนาสะนะสัพพะยะทั้งหลายก็เพื่อการนี้ผู้ที่ยังไม่มาขอให้มาสู่อาวาสของเรา ผู้ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขเป็นสุขเราคิดแบบนี้ผู้ที่สร้างกติอย่างคุณคนสุกัญญาพิุโลกพอามาสร้างกติไว้แาะว่าถ้ามีคนพักกติเขาเขาก็ได้บุญเหมือนธนาคารออกดอกที่ฝากไว้มีคนมาใช่มีคนมาพักมีคนมาอยู่เขาก็ได้บุญทุกครั้งไป ผู้ที่มีกิจศรัทธามาสร้างกติเขาก็ได้บุญเมื่อเรามาใช้แล้วหมอมรดกิจหลายๆคนที่มาสร้างหมอประสาตทตั้งไม้มาสร้างไว้เขาก็ได้บุญเรามาใช้จะไปขยะขยะังผู้บริจาคอาหารการกินเขาก็ได้บุญเขาก็ได้บุญเพราะฉะนั้นเราจึงไม่มีอะไรที่ขวงกันไม่มีอะไรที่หวงหึง ไว้บริโภคคนเดียวไม่ใช่เพื่อทุกคนเพื่อประโยชน์เพื่อกูล่เป็นอย่างนี้สุขโตสุขโตแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อการนี้โดยตรงไม่ได้อย่างไม่เป็นอย่างอื่นถ้ามีผู้มาปฏิบัติมีผู้มาอยู่ความเพียรชำระธรรมก็สมปาถนาของผู้มาสร้างวัดสร้างบามสมปาถนาของผู้ที่อยู่เพื่อศึกษาเรื่องงานเรื่องการแน้น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 ทานก็เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความรู้สึกตัวเองมันเปลี่ยนอย่างนั้นการปฏิบัติมันเฉพาะหน้ามันเป็นปตังของใครของมันแม่จะเป็นครูบาอาจารย์ที่คิดช่วยท่านมันก็ไม่เห็นมันตัวท่านแต่ถ้าลูกโตเมื่อท่านมาบอกเราก็จะช่วยขี้แจงให้บางทีเราก็ขี้แจงเองเทศนาเองการปฏิบัติทำมันเป็นเทศนาไหมมันเป็นธรรมะสวนัยปะ ธรรมะสวนายนาไม่ไปในตัวมันก็เราเทศแจกแกงเห็นรู้สึกตัวมันก็เห็นโน่นเห็นนี่โอ้ความรู้สึกตัวไปอย่างนี้ความหลงไปอย่างนี้กลับมารู้สึกตัวทำไงเทศนาสอนตัวเราแล้วเอาจริงๆก็คือสอนตัวเราในแหละปฏิบัติทำพวกเราก็เพียงเป็นกัญญาณมิตรที่สนับส น, นุนที่เอื้ออํำนวยที่สร้างให้ สิ่งแวดล้อมช่วยกันเป็นอย่างนั้น